ขอกราบบูชาปรัตนตรัยขอกราบคารวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอ <c oughs> กราบนรำส ก, การพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปในที่นี้ก็คือหลวงพ่อกลมที่เป็นประธาน และก็ขอเจริญพร อ, อาญาติโยมผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุก โ, โตในวันนี้ก็นั่งตามสบายนะครับ <c oughs> จริงๆที่ท่านอาจารย์สุรินได้นิมนต์กระผมเรียอตามอเนี่ยมาพูดคุยวันนี้ <c oughs>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 ในเส้นทางของ <c oughs> อพระพุทธองค์ได้ชี้เอาไว้ตัวกระผมเรื้อธมานได้เรียนมาทาั้งทางการศึกษาสมัยใหม่ก็คือทางโลกจบระดับปริญญาตรีมีวิชาความรู้เอาไปธรรมากินได้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 รู้จักวิธีการฝึกสมาธิแบบอนาปนาสติก็คือพี่สุพวัร์ปัจจุบันก็คือสุพวัรกรีนนั่นเองเอหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆอ่านหนังสือฟังเทปจากอาจารย์พุทธทาสนะก็ทมให้ได้รู้ว่ า, าความรู้อีกชนิดหนึ่ง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 ความรู้ที่จะทามาหากินเท่านั้นเองแต่พอเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยก็ไปเรียนจิตวิทยาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นความรูนตื้นๆความรู้ที่แก้ปัญหาจิตใจจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ใ น, นพุทธศาสนาแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอีกว่าในในในโลกปัจจุบันหรือในประเทศไทยก็ดีเนี่ย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 การเคลื่อนไหวเนี่ยาจากจากหลวงพ่อเทีย น, นประมาณปี2520ที่วัดสนามในตอนนั้นก็ยังไม่ฟังท่านไม่ใคยรู้เรื่องแต่ก็สนใจฝึกยกมือเดินจงกรมสร้างจังหวะช่วงที่ไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนช่วงนั้นคนหนุ่มคนสาวในยุคนั้นเนี่ย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 หาจุดความพอดีมันไม่ได้อพอดีมีจังหวะ1นึงประมาณปี2อ2 5ได้มีโอกาสลาบวชนะครับช่วงนั้นก็ทำงานที่เชียงใหม่แล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษ า, าซึ่งปัจจุบันก็คือมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ลาบวช1พรรษา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 ในบรรยากาศของการปฏิบัติที่ที่วัดโมกนะตอนนั้นเปจำบัญษายอยู่ที่วัดโมกแล้วก็มีท่านอาจารย์เนกตอนนั้นก็เพิ่งจะบวชเข้ามาใหม่ๆก็เป็นสภาพแวดล้อมเป็นกัลยะาณมิตรกันก็ได้ช่วยเหลือกันบรรยากาศของการใช้ชีวิตที่วัดโมกเนี่ยจะมีพระไม่มากนะฮะ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 หลังจากพูดเสร็จแล้วหลังจากเลิกทําวัดแล้วกลับไปที่กุฏิใจเราเนี่ยเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วเรารู้ถึงที่สุดแล้วแต่ตอนนั้นนะอาจารย์ดามาศ ก, กิจบอกว่าเนี่ยนะพิ่งจุดเริ่มต้นตอนนั้นนะอย่าไปดีใจนะนี่มันพึ่งจุดเริ่มต้นแล้ระวังนะนนนะเนี่ยวิปัสสนูนะไอ้รู้มากๆไอ้แตกฉานเนี่ยแล้วอยากจะพูดจะคุยเนะี่ยระวังให้ดีนะความรู้สึกตัวมันจะลืมนะ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 เป็นสิ่งที่รู้สึกอันตรายอยากทำให้นุ่นอยากทำให้นี่อยากโอเยอะแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะเลยในช่วงที่มาอยู่และบางทีเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็มายกยอรเรามาอุ้มเราว่าเนี่ยดีนะมาทำอย่างนี้ดีนะโอ้ยเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะต้องไปทำให้นุ่นเดี๋ยวจะต้องไปทำให้นี่นะไปสร้างให้นุ่นสร้างไอ้นี่โอ้ยนี่เป็นตัวตัวตัวดี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 มาบ่อยๆ บ, บางทีเรารู้สึกโอ้โหดีมากเลยจะต้องทำโปรเจก t นั้นโปรเจก tn ี้คนต่างประเทศมาเราจะต้องฝึกภาษาอังกฤษเราจะต้องเอาวิทยุแบบที่เราไปธรรมศสารามานะมีวิทยุแล้วก็แปลภาษาอังกฤษให้คนฟังโอ้ oh, oh, คิดไปสารพัดหลายโปรเจกต์เลยสุดท้ายออโดนเขาหลอก <laughs> โดนความคิดมันหลอกทิ้งหมดเลย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 นะอันนี้มีอาการที่แสดงออกหรือบางทีเราทําไปเนี่ยเราง่วงนอนเราหนักหัวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเพ่งเข้าไปข้างในมากนะอันนี้ก็ต้องปล่อยออกมาข้างนอกซึ่งเมื่อตอนบ่ายเนี่ยแตมาก็เจอตรง น, นี้ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เดินแล้วมันง่วงงวงหนักหนักน่วงนวงนะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาเราทิ้งจากลานยงกรมแล้วมารับโทรศัพท์เอ๊ะมันทําไมโล่งออกมาอ๋อ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 ขอบคุณครูบาอาจารย์อนุโมทนานและก็กัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราได้กลับมารู้สึกตัวมาเห็นตัวเราเองมาเห็นสิ่งที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามในตัวเราเองเออก็ผมเนื้อธรมารมีความเชื่อว่าสภาพแวดล้อมของป่าสุกโตเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่ช่วย